โดยอารัธนาพระอาจารย์กรรมฐานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองค์แสดงด้วยปกิณะการมบ้างด้วยสมาธิรมบ้างด้วยปัญญาทมบ้างสับปนกันไปเพื่อประโยชน์แก่ท่านที่เป็นนักบวชฝ่ายธุ ด, ดงกรรมฐานซึ่งนานๆจะได้มีโอกาสมาฟังกันบ้างเพื่ออุบาสก อ, อุบาสิกาที่สนใจธรรมปฏิบัติบ้างเพื่อสาธุชนทั่วๆไปบ้าง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 และความเสียสละทุกอย่างไม่อาราชเสียดายและเคยประสิทธิ์ประสานธรรมแก่บรรดาสิทธิ์ท้งบรณฑ์พจิตและเครื่องหัดหญิงชายไม่มีประมาณแล้วได้จากไปตามกฎอนิจจังและไม่มีใครแม้มีความเคารพรักเลื่อมสายท่านอย่างสุดจิตสุดใจจะช่วยต้านทานไว้ได้สักรายเดียวบางท่านที่ไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนอ่านคิดไปในแง่กฎอนิจจังอันเป็นธรรมสอนโลกและสอนตนมากกว่าจะคิดถึงแง่แห่งคุณธรรมท่าน ขณะที่กำลังถวายเพลิงในบริเวณเมนจะมีเฉพาะคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ต่อศพท่านเท่านั้นไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยทางนี้อาจเป็นเพราะคำโฆษณาประกาศเตือนอยู่เป็นพักๆ ก, ก็ได้หรืออาจเป็นเพราะมัญญติของท่านผู้เห็นภัยและคุณในขณะนั้นก็ยากแก่การสันนิษฐานอธิท่านได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสัน้นอธิท่านที่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 การเวลาที่ผ่านพ้นดงนาปากิเลสและกองทุกทางใจทั้งมวลไปได้นั้นท่านเล่าให้ปุขินฟังเมื่อพศ2486ว่าท่านผ่านไปแต่สมัยพักอยู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ทราบว่าผ่านไปกี่ปีแล้วท่านจึงได้กลับไปจังหวัดสกนครจึงขอสรุปแต่ใจความว่าปีพศ2485ที่ท่านประจำพรรษาที่วัดสุทาวาสสกนครจนถึงพศ2513อันเป็นปีท่านมรณภาพ ก็คงไม่น้อยกว่า 28-29 ปีจึงพอจับใจความได้ว่านับแต่วันจิตหลุดพ้นและคลองขันด้วยใจที่บริสุทธิ์ตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายนับว่านานพอสมควรดังนั้นการที่อันทิท่านสามารถกลายเป็นพระาธาตุได้อย่างรวดเร็วในภายในไม่ถึงปีเต็มจึงเป็นฐานะที่ควรเป็นได้ไม่มีทางสงสัยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่าที่ ท, ทราบมา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 เพราะท่านไม่เป็นนักพูดนักโฆษณาต่างท่านต่างโลกกันอยู่ในวงเฉพาะของนักปฏิบัติเท่านั้นสถานที่นั้นหมายถึงป่าและเขาแห่งจังหวัดนั้นๆที่ท่านนักปฏิบัติไปอาศัยบําเพ็ญและได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีใครทราบถ้าไม่นําเรื่องท่านมาเขียนไว้บ้างพอเป็นร่องรอยาศาสนธรรมก็จะปรากฏแต่ชื่อแตนามส่วนตัวจริงแท้จะไม่ปรากฏจึงได้ตัดสินใจเขียนลงในถ้ากลางแห่งกวากน้ํา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 ราวท่านบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาท่านไปที่วิเวกในภูเขาแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมขากลับจากเที่ยวท่านมาตามทางสายอำเภอนาแกที่ตรงไปจังหวัดสกลนครซึ่งแต่ก่อนไม่มีถนนแม้ทางล้อทางเฟียนและทางคนเดินเท้ารกรุงมลังมากแทบมองไม่เห็นทางเพราะระยะทางที่ห่างจากอำเภอนาแกมาประมาณ4กิโลเมตรเป็นป่าดงกว้างใหญ่รกชัดด้านยาวติดกับภูเขามีสัตว์เสือชุกชุม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 จนไม่มีซ่าแข่งป่าเหลือหลออยู่บ้างเลยท่านจึงตัดสินใจพักค้างคืนในโดงนั้นโดยปลีกออกจากทางไปเพียงเล็กน้อยแล้วก็แหวนกรดกับกิ่งไม้มือลูบคลำเก็บกวาดใบไม้แห้งแถบบริเวณที่พักนั้นมารวมกันพอเป็นที่นอนได้เสร็จแล้วก็พักผ่อนและภาวนาต่อไปเวลาประมาณสามทุ่มซึ่งเป็นขณะที่ท่านกาลังนั่งทาสมาธิภาวนาอยู่ด้วยความหวาดระแวงเรื่องต่างๆ ขณะนั้นได้มีอีเก้งตัวหนึ่งด่อมด้อมเข้ามาที่บริเวณที่พักโดยไม่รู้ตัวพออีเก้งโผล่หน้าออกมาก็มาเจอเอากรดกับมุงที่กลางและลดลงไว้อย่างมิดชิดพอดีเพราะความตื่นตกใจกลัวของสัตว์ที่มีนิสัยระแวงประจำตัวตลอดเวลาอยู่แล้วก็ร้องขึ้นอย่างเต็มเสียงเก๊กคาเดียวพร้อมกับกระโดดชนป่าศีรษะโดนต้นไม้โครมครามโครมครามดังสนั่นไป ท่านเองก็สะดุ้งตกใจสุดขีดจนเผลอตัวร้องออกมาว่าเอื้อกอคเช่นกันอีเก่งตื่นเสียงคนวิ่งหูตั้งตาถลนป่าเลิกไปในขณะเดียวกันพอได้สติท่านนึกอายความไม่เป็นท่าของตัวจนอดหกขันหัวเราะตัวเองไม่ได้ว่าพระทั้งองค์แท้ๆออกบวชด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตายที่ไหนก็ยอมแล้วด้วยความโปร่งใจฝ่าธรรม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 จนมันวิ่งป่าเปิงไปไม่คิดชีวิตถ้าอีกเก้งตัวนี้มีความฉลาดพอทราบได้ว่าพระเป็นเพศที่เชื่อกรรมและเสียสละไม่ขี้คลานฟดกลัวเหมือนพระกรรมฐานองค์กําลังแสดงความกลัวตายอย่างสดขีดไม่มีสติอยู่กับตัวเวลานี้มันคงนึกขบขันและกลับมาหวัว เ, เราะเยาะเย้ยเราจนอับอายไม่มีหน้าพระเหลืออยู่เลยเป็นแน่แต่นี้มันเป็นสัตว์พอนําชีวิตผ่านไปได้ก็หมดปัญหากันไปไม่สนใจว่า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 เพราทั้งสองฝ่ายต่างตกตะลึงงงงานจนไม่มีสติร่างใจด้วยกันตลอดจนการแสดงต่อเหตุการณ์ของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้นบ่งบอกด้วยความกลัวตาอย่างชัดเจนไม่สงสัยคือฝ่ายหมีก็กระโดดปีนขึ้นฝั่งและปีนไปด้วยความกลัวเต็มประดาฝ่ายท่านก็ยืนย่ำเท้าอยู่บริเวณ น, นั้นจนพื้นที่ที่เหยียบย่ำเหล้วแหลกเป็นตมเป็นโคลนไปหมดราวกับเขาขยําดินเหนียวปั้นอิดหรือทําพาชนะดินฉะนั้น พร้อมกับพูดหลุดปากออกมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเอา้าเอา้าเอาเอา้าไม่หยุดปากพอมีใหญ่ตัวน่ารักน่าสงสารถึงใจวิ่งหนีไปแล้วท่านว่าท่านเลยเดินกลับที่พักด้วยความขบขันและสงสารมีใหญ่ตัวแสนรู้แสนดีนั้นเป็นกําลังท่านเองไม่ทราบว่าเหงื่อหรืออย่างตายออกมาเวลานั้นเปียกมหาเปียกยิ่งกว่าลงอาบน้าไปไหนๆท่านว่า ที่ท่านไม่เดินเลยไปส่งน้ําแอ่งหินที่เคยส่งนั้นท่านคิดว่าบางทีมีใหญ่ตัวนั้นมันโดดและวิ่งเสียจนอ่อนเพลียแล้วอาจไปลงนอนแช่น้นําในแอ่งหินนั่นเพื่อบรรเทาก็ได้เผื่อไปเจอกันเข้าอีกกลัวเหตุการณ์จะไม่เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้ววันต่อไปท่านจึงไปส่งน้ําที่นั่นขณะเดินไปถึงที่ที่มีกับคนจ้าเอกันจึงได้มีโอกาสตรวจดูสภาพของความกลัวตายประจาสัตว์โลก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 เพราะสุดกําลังจริงๆทั้งสองเรื่องพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นนั้นมีมากนับแต่รุ่นหัวปีรุ่นกลางรุ่นสุดท้ายและรุ่นหลานเหรนที่ได้รับการอบรมสืบทอดปฏิบปทาสายเดียวกันมาจนปัจจุบันแต่การเขียนปฏิบปธานี้ได้เคยเรียนไว้บ้างแล้วว่าขอไม่ระบุนามท่านประกอบในปฏิบปทาที่ท่านดําเนินเพราะเป็นความไม่สะดวกสําหรับผู้เขียนและองค์ท่านเอง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 กับบทธรรมที่นํามากํากับเป็นคําบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นเรไรไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียวแล้วมอบธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คํานึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นเรไรไปเพราะจะทําให้ขาดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกบบทําบทนันบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควร อาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายทำหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไร <c oughs> ก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายๆไปมิใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมให้สิทธิโดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรัชจิตวิชา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 จนสามารถถอดถอนออกได้ประจักษ์ใจแล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตูพระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระม่ได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลิพานมาแต่องค์พระาศาสดาแรกเริ่มตรัสรูตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งปรัจิตวิชา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 ยิ่งกว่าตามรอยโคในค้อเป็นร้อยเท่าพันธวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพระการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยทำบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทลมลุกคลุกคลานมาประจำฐานะและนิสัยอยู่แล้วแต่เมื่อมีท่านผู้ฝึกไฟใคร่ทำมาศึกษาไต่ถามก็เรียนต่อไปแบบมือหนึ่งจับงู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 จึงขออนาวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทำนองสรุปความแต่จะเขียนปฏิบัตาการดาเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสารสนิ์ในวาระต่อไปการเขียนคราวนี้จะไม่ระบุ ก, การสถานที่ที่ท่านบาเพ็ญและได้รับผลนั น, น, นลงอีก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 ก็กำหนดเอาตามต้องการตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมากเพราะอาศัยการพิจารณากายด้วยปัญญาจนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดายคำบริกรรมภาวนาพุทโธ ท, ที่เคยกำกับกจิตมาดั้งเดิมก็เริ่มปล่อยวางนับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้วท่านหยุดนิมิตกับคำบริกรรมว่าอัตถิอัตถิเป็นอารมณ์ของใจแทนพุทโธมีแต่การกำหนดและพิจารณาโดยความตั้งขึ้น แปลสภาพไปแต่ไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นจนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ก็ได้กลายเป็นอากาศ ธ, ธาตุไปด้วยการพิจารณาจิตว่างเปล่าจากวัตถุมีกลายเป็นต้นเพร้ะอำนาจแห่งสติปัญญาที่พิจารณาไม่ลดละปล่อยวางสมาธิทุกขั้นก็ชําชนาญวิปัสนาขั้นรูปธรรมก่อํานาญและรวดเร็วทันใจท่านว่าวิปัสนาขั้นนี้ทําจิตให้สว่างสวยมากน่าอาัศจรรย์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 ด้วยเหตุดังกล่าวมานักปฏิบัติผู้มุ่งทำลายกิเลสด้วยใจจริงจำต้องสนใจต่อากายวิภาคจนเกิดความชำนิชำนาญและตัดราขัตตนาไปได้ประจักษ์ใจเป็นทอดทอดเพราะกิเลสมานะทิฐิประเภทแสลงแทงใจตนและผู้อื่นมากกว่ากิเลชนิดอื่นๆนั้ น, น, นมักเป็นกิเลสปากอคอกที่คอแสดงออกอย่างรวดเร็วซึ่งอาศัยอุปาทานความยึดถือกายเป็นสําคัญท่านจึงสอนให้พิจารณากายคตาสติในสติปัฏฐานสี และอริยสัจสีอันเป็นธรรมสาคัญในวงศาสนาให้มากจนหายสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหมดเยื่อใยท่านอาจารย์มั่นท่านจานานคล่องแคล่วในกายานุปัสนาสติปทานมากท่านจึงแตกฉานในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกผิดกับนักปฏิบัติทั้งหลายท่านว่าขณะที่ท่านผ่านกายคตาไ ป, ไปได้แล้วกายมราคะก็หมดปัญหาไปในขณะเดียวกันโดยไม่จําต้องถามใครให้เสียเวลา แแสดงความโง่บงงายของตนให้ผู้อื่นคุรรอบเปล่าเพราะเป็นของมีอยู่กับตัวและสิ้นไปจากตัวคนเดียวกันด้วยความรอบครอบแห่งสติปัญญาขั้นนี้เพียงขั้นราคาตัญหาตายหายซากประ จ, กจากใจก็เป็นอยู่สบายทรงตัวได้ไม่เดือดร้อนเพราะราคาตันหาประเภทกินไม่รู้จักอิ่มพอรบโกรนกวนใจกระสิบ ย, ยุแยแผร่อานาจบนหัวใจทาให้เป็นคนขี้คลาดวาดกลัว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 พอจะเป็นเชื่อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนินโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชาว่านิโรชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชา ต, เติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่าคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบําราบปราบปรามอาวิชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทําพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกําลังกําเริบถึงกับพาศาตร์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทําอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกําลังลงโดยลําดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทําใจที่อวิชชาไปปราดแล้ว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 จึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอาวิชชาของท่านก็ทํานองที่นํามาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอาวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจยอย่างยิ่งแต่นํามาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราๆท่านๆ ท, ที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาทะลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควร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 เวลานั้นออกกําลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทํากันแต่ท่านถือทำวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทําบทใดก็นําทําบทนั้นไปปฏิบัติตามอธัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็ น, นตอนๆและเป็นเรไรไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัธมภายในใจ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 สำหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ก่อนน่าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรและได้ต่อสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฐิจัจนบางครั้งราวกับวัดจะแตกพระเนญจะรางวัดเมื่อได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับพญาราชสีโตวัีกันบนกุฏีท่านอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูก ซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่เทียบกับจิ้งรีที่หมดฤทธิ์อ้อมกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดูดาเขี้ยนตีตามอัธยาศัยหากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในอริยบทต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับราชสีที่กังวาลด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจนวนมากคงไม่สงสัยวิภากควิจารณ์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 ไม่กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั่นแหลเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทำแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบทำและเป็นความเสียหายทั้งแกตนและผู้อื่นนั้นมากชอบอยุเราให้ทำอยู่เสมอทำได้มากเท่าไรยิ่งดีมันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและตีเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดีคนเราเมื่อมีทำในใจยอยู่บ้าง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 ให้คนละสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากกลัวผีกันเท่านั้นยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทำตัวให้เหม็นครุงไปพรวยความประพฤติที่เชืออเฉอนสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ชิบหายวายปวงทำให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมีหนาเขา ย, ยิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้าง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 ใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญยาบารมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุงขจอรอยู่ในโลกมิได้สลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานนี้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 มาออกสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อา่อานได้อ่านได้ชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นำเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยการมาลงให้ท่านได้อ่านก็พอแก่วาสนาของตนอยู่แล้วจึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านและได้ปฏิบัติจ น, จนปรากฏผลเป็นที่พอใจเถิดจะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ตั้งพณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจ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 ดังใจหมายเถิดห น, หนังสือปฏิบัตินี้หากมีท่านผู้สถาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาสกรุณาทราบตามในที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในเวลาต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขิตดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ